ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชื่อจูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆและสังคมข้อข อ, ขอพุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุษธรรมบทบัญญัติในวินัยซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้ความสำคัญแก่สง ที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้อีกอย่างหนึ่งได้แก่พุทธบัญญัติไม่ให้พิสุอวดอุตริมนุษธรรมคือคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติของมนุษย์สามัญเช่นสมาธิฌานสมาบัตมรคผลถ้าอวดโดยที่ตนไม่มีคุณวิเศษนั้นจริงคือหลอกเขาย่อมต้องอาบัตปาราชิกขาดจากความเป็นพิสุ แต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริงถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแก่ชาวบ้านหรือผู้อื่นใดที่ไม่ใช่พิสุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นเป็นความผิดเพียงแต่เบาลงมาเป็นอาบัติปาจิตตีต้นเหตุที่จะให้มีพุทธบัญญตัตินี้เกิดจากในคราวทุบพิก ข, ขภัยภิกษุพวกหนึ่งคิดหาอุบายจะให้พวกตนมีอาหารฉันโดยไม่ลำบาก จึงกล่าวสรรเสริญกันและกันให้ชาวบ้านฟังตามที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างว่าท่านรูปนั้นได้ฌานท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันท่านรูปนั้นเป็นพระอรหรันท่านรูปนั้นได้อภิญญาหกเป็นต้นชาวบ้านเลื่อมใสาพากันบำรุงเลี้ยงภิกษุกลุ่มนั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติศิกขาบทขึ้นห้ามโดยทรงตีเตียนว่า ไม่สมควรที่จะอวดอ้างคุณความดีพิเศษกันเพราะเห็นแก่ทองและสำหรับผู้ที่อวดอ้างโดยไม่เป็นจริงทรงติเตียนอย่างรุนแรงว่าเป็นมหาโจรที่เลวร้ายที่สุดในโลกเพราะบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองโดยฐานขโมยพุทธบัญญัติอีกข้อหนึ่งในจำพวกห้ามอวดอุตริมนุสธรรมคือสิกขาบทที่ไม่ให้พิสุกแสดงอิธิปาฏิหารแก่ชาวบ้าน พิสุดใดแสดงพิสุจน์นั้นมีความผิดต้องอาบัตทุกกฎต้นเหตุเกิดจากเศรษฐีท่านหนึ่งเอาบาทไม้จันแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่และประกาศท้าพิสูจน์ว่าใครเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์จริงก็ขอถวายบาทนั้นแต่ให้หอะไปเอาลงมาเองพระปินโทลภพารัตวาชะได้ยินคำท้าประสงค์จะรักษาเกียรติของาศาสนา จึงเหาะขึ้นไปเอาบาดลงมาทำให้ชาวเมืองตื่นเต้นเลื่อมใสกันมากพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติศิกขาบทห้ามโดยทรงตำหนิว่าไม่สมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมล้ำสามัญมนุษย์เพราะเห็นแก่บาทที่เป็นของมีค่าตำ่ำทรงเปรียบการทำเช่นนั้นว่าเป็นเหมือนสตรีที่เผยเอวัยวะพึงสงวนให้เขาดู เพราะเห็นแก่เงินทองของต่ำค่าตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเหตุผลส่วนที่ปรากฏชัดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารภก่อนที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ก็คือเป็นการไม่สมควรที่จะอวดคุณความดีและความเก่งกล้าสามารถพิเศษของตนเพราะเห็นแก่ลาบสการะหรือผลประโยชน์ต่างๆแต่ในเวลาที่ทรงบัญญัติจริงปรากฏว่า ทรงเปิดกว้างให้สิขาบทนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเหตุจงใจทุกอย่างไม่จำกัดเฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็นแก่ลาบสการะและผลประโยชน์ที่จะได้เท่านั้นในเรื่องนี้เพื่อเสริมความเข้าใจให้กว้างขึ้นสมควรที่จะพิจารณาถึงเจตนารมที่ลึกซึ้งลงไปอีกด้วยเช่นการที่ไม่ทรงประสงค์ให้ประชาชนตื่นเต้นหลงไหล กับสิ่งที่เข้าใจว่าสูงส่งเกินวิสัยของตนแล้วหันไปคิดพึ่งพาฝากความหวังไว้กับผู้อื่นสิ่งอื่นจนละเลยการพินรณพยายามทําตามเหตุผลที่เป็นวิสัยของตนดังนี้เป็นตน้นแต่สิ่งที่ควรพูดถึงในที่นี้ก็คือเจตนารมที่คำนึงถึงสงตามหลักการของพระพุทธศาสนาการดารงอยู่แห่งธรรมวินัยเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้นขึ้นอยู่กับสงที่เป็นส่วนรวม การที่จะสืบต่อพระศาสนาหรือรักษาธรรมวินัยจึงต้องทำให้สงคงอยู่ยั่งยืนพูดอย่างชาวบ้านว่าพระพุทธเจ้าทรงฝากธรรมวินัยไว้กับสงไม่ใช่ไว้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่อาจคงอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้ประชาชนทำลนกบำรุงพิสุทั้งหลายและสัมพันธ์กับพิสุทั้งหลายในฐานะที่เป็นสง ให้ทานบำรุงและสัมพันธ์กับพระพิสุในฐานะที่ท่านเป็นพิสุรูปหนึ่งหรือเป็นตัวแทนผู้หนึ่งของสงฆ์ไม่ใช่ในฐานะบุคคลชื่อกอชื่อขอชื่อขอแม้ว่าพิษุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางรูปเก่งกล้าสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษความสัมพันธ์ของท่านกับประชาชนก็จะแสดงออกทางสงฆ์หรือผ่านสงฆ์ ให้สงมีส่วนร่วมในผลสาเร็จของท่านด้วยคำที่พูดนี้พอจะมองเห็นไม่ยากในกรณีที่พิสุรูปหนึ่งมีความดีงามความสามารถพิเศษถ้าความดีงามความสามารถนั้นเป็นไปในฐานะที่ท่านเป็นพิสุรูปหนึ่งผลได้ที่มีมาถึงพิสุรูปนั้นจะมีมาถึงสงด้วยหรือสง์จะมีส่วนได้รับผลด้วยสงจะเจริญงอกงามไปกับพิสุรูปนั้น แต่ในทางตรงข้ามถ้าความดีงามความสามารถของพิสูนั้นสแสดงออกในฐานะบุคคลผู้มีชื่อนี้โดยเฉพาะเป็นพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะพิสูนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นแต่เป็นความเจริญเติบโตส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มของตัวที่บั่นรอนให้สงสูบโสมอ่อนแอลงการอวดคุณวิเศษของพิสู ย่อมทำให้ประชาชนรวมจุดความสนใจไปพี่พิสุนั้นและหันไปทุ่มเทความอุปถรัรมบำรุงให้แต่ในเวลาเดียวกันสงจะด้อยความสำคัญลงพิสุส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ขาดผลได้และสงส่วนรวมก็จะอ่อนกำลังลงด้วยเหตุนี้จึงมีตัวอย่างพระอรหันต์บางท่านในสมัยพุทธกาล เมื่อความดีเด่นและความสามารถพิเศษของท่านปรากฏเป็นที่รู้ขึ้นและในเมื่อความสนใจต่อตัวท่านเปลี่ยนจากความสนใจในฐานะพิสุรูปหนึ่งกลายไปเป็นความผูกพันในตัวบุคคลพร้อมกับมีลาภผลติดตามมาตัวท่านกลายเป็นที่รวมความสนใจแทนสงหรือเป็นเหตุให้ความสนใจต่อพิสุส่วนมากและความสาคัญของสงลดลงท่านก็หลีกออกไปเสียจากที่นั้น หมายเหตุเชิงอัดพึงพิจารณาเรื่องพระอิสิท ต, ตะและพระมหกะในสังยุตติกายสลาญตนวัต์